จเจริญพรท่านศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550เป็นวันที่เราได้มาทำบุญกันมาบำเพ็ญมาปฏิบัติธรรม ตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่จะพึงกระทากันเพราะเรามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคำสอนเชื่อในพระอริยสงสาวกว่าเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงเป็นคำสอนที่ถูกต้องตามหลักความจริงสามารถยังประโยชน์ ยังผลให้กับผู้ปฏิบัติได้อย่างแน่นอนไม่มีอะไรที่จะต้องเครือบแคลงสงสัยหน้าที่ของเราจึงอยู่ที่การปฏิบัติตามเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าคดีพระอริยสงสารวคดีได้กันกรองสิ่งต่างๆทั้งหลายออกจนหมดแล้วให้เหลือแต่ความจริงล้วน สิ่งจ อ, ปองปลอมทั้งหลายนั้นไม่มีอยู่ในพระไทยอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกเพราะใจของท่านนั้นได้รับการชำระอย่างบริสุทธิ์หมดจดกำจัดความหลงอันปัญเหตุที่ทำให้เกิดความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกกงจากเป็นดอกบัวเห็นสิ่งที่มีว่าไม่มี เห็นสิ่งที่ไม่มีว่ามีเมื่อไม่มีสิ่งที่หลอกลวงเจือปนอยู่ในจิตใจแล้วก็มีแต่ความจริงนรวนๆความจริงนี่แลที่ทำให้เราที่ทำให้พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตาย หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าผู้ใดจิตใจยังไม่ได้ชำระจนสะอาดหมดจดจิตใจนั้นก็ยังจะมีความหลงครอบงำอยู่ก็จะมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าโลกนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีเห็นว่าการได้เกิดเป็นสิ่งที่น่ายินดีเพราะเห็นเพียงข้างเดียว เวลาเกิดเราจะเห็นคนดีอกดีใจกันได้ลูกได้หลานกันทุกคนดีอกดีใจกันเป็นความสุขแต่เขาไม่ได้มองอีกด้านหนึง่งด้านลบด้านที่เวลาเกิดความเสื่อมขึ้นมาเกิดความดับขึ้นมาเห็นเพียงด้านเดียวเป็นลักษณะของจิต ท, ที่มีความหลงอยู่จะไม่เห็น อย่างครบถ้วนบริบูรณ์เห็นในส่วนที่อยากจะเห็นส่วนที่ไม่อยากจะเห็นพยายามที่จะเลิมลืมมันไปพยายามที่จะไม่คิดถึงมันเมื่อไม่คิดถึงมันมันก็เหมือนกับว่าสิ่งนั้นไม่มีไม่ปรากฏนะแต่ความจริงแล้วไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่เราพยายามเลิมกันสิ่งที่เราพยายามที่จะไม่คิดถึงกัน มันก็มาโผล่ต่อหน้าเราจนได้เวลาที่คนที่เรารักจากเราไปจะต่อให้ไม่อยากจะคิดอย่างไรมันก็ห้ามไม่ได้เพราะมันเห็นอยู่ตามตาเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาแล้วความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจอย่างใหญ่โต ก็จะมารุมเร้าจิตใจทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนเสียหลักไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปถึงกับต้องฆ่าตัวตายไปก็มีเป็นจำนวนมากนี่เป็นอนิสงส์เป็นผลของการมีความหลงครอบงำจิตใจจะเป็นอย่างนี้จะคิดว่ามองแต่สิ่งที่ดีอย่างเดียวแล้ว จะเป็นคุณเป็นประโยชน์คนที่คิดว่าคนที่มองแต่สิ่งที่ไม่ดีเช่นความเสื่อมทั้งหลายความแก่ความเจ็บความตายเป็นการคิดที่ไม่ดีคิดแล้วทำทำให้ไม่เป็นมงคลแก่ชีวิตความคนที่มีความหลงจะคิดอย่างนี้คิดอยากจะได้คิดอยากจะเจริญโดยถ่ายเดียวคิดอยากจะมีแต่ความสุขโดยถ่ายเดียว นี่เป็นความคิดของคนที่มีความหลงครอบงามอยู่จะคิดอย่างนั้นแต่คนที่ได้ทำลายความหลงหมดสิ้นไปจากใจแล้วจะไม่คิดอย่างนั้นจะมองทุกอย่างตามหลักความเป็นจริงเพราะความจริงเป็นสิ่งที่ลบล้างไม่ได้ความจริงเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเผชิญจะต้องสัมผัสและถ้ารู้จักวิธีสัมผัส กับความจริงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบวกหรือเป็นฝ่ายลบเป็นฝ่ายเจริญหรือเป็นฝ่ายเสื่อมก็จะไม่ทําให้ใจเสียหลักได้เพราะใจสามารถรับรู้ทุกสภาพได้ไม่ว่าจะเจริญหรือเสื่อมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบวกหรือฝ่ายลบใจไม่ได้ ไม่ได้ได้เสียกับสิ่งต่างๆที่ใจรับรู้เลยธรรมชาติของใจเป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนภาพความจริงคนสวยเวลาไปยืนหน้ากระจกกระจกก็ไม่ได้ดี อ, อกดีใจก็สะท้อนภาพของคนสวยที่ยืนอยู่หน้ากระจกคนไม่สวยเวลาไปยืนอยู่ที่หน้ากระจกกระจกก็สะท้อนภาพของคนไม่สวย กระจกก็ไม่ได้เกิดความรังเกียจภาพของคนไม่สวยกระจกเพียงแต่สะท้อนความเป็นจริงภาพของความเป็นจริงใจของคนเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงครอบงาใจแล้วใจจะรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงด้วยความปล่อยวางด้วยความเป็นอุเบกขาคือ ไม่ยินดีไม่ยิงร้ายไม่รักไม่ชังไม่อยากได้ไม่อยากจะต้องการให้หายไปไม่อยากให้อยู่ไปตลอดเวลาเพราะใจไม่ได้เพราะใจรู้ว่าไม่ได้ไม่ได้เสียกับสิ่งต่างๆที่สัมผัสรับรู้นั่นเองสิ่งต่างๆที่ใจสัมผัสรับรู้มีแต่มาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆ ถ้ามีปัญญาลองพิจารณาดูสักหน่อยก็จะเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นวันนี้เราเห็นรูปคนนั้นเห็นรูปคนนี้เดี๋ยวสักระยะหนึ่งรูปคนนั้นรูปคนนี้ก็หายไปเปลี่ยนเป็นรูปของคนนั้นคนนี้อีกเปลี่ยนไปเรื่อยๆเสียงที่เราได้ยินก็เป็นเช่นเดียวกันเสียงได้ยินแล้วก็ผ่านไปจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ผ่านไป แต่ใจถ้ามีความหลงแล้วมันจะเกิดอาการปฏิกิริยาตอบโต้กับสิ่งต่างๆที่ไปรับรู้เขา้าถ้าเป็นสิ่งที่ชอบก็จะเกิดความสุขใจแล้วก็เกิดตัณหาความอยากเกิดความโลภอยากจะได้ถ้าไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็จะเกิดตัณหาความไม่ชอบความไม่อยาก ความอยากจะให้มันหายไปเกิดความโกรธเกิดความเกลียดเป็นผลของความโลภทั้งนั้นถ้าตาบดายังไม่ได้ชำระความโลภเอ้ไม่ได้ชำระความหลงแล้วจิตใจก็จะแกว่งไปแกว่งมาระหว่างความรักกับความชังระหว่างความโลภกับความโกรธเมื่อจิตยังแกว่งอยู่จิตจะหาความสุขไม่ได้ไม่ว่าจะ ได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็จะไม่ได้ทำให้จิตมีความสุขอย่างแท้จริงมีแต่จะเป็นระเบิดเวลาคอยสร้างความทุกข์ให้กับจิตเวลาที่สิ่งต่างๆที่ได้มานั้นสูญต้องสูญหมดไปต้องจากจิตไปถึงเวลานั้นจิตที่มีความหลงครอบงามอยู่จะเศร้าโศกเสียใจจะร้องห่มร้องไห้ นี่คือจิตของปุถุชนอย่างพวกเราทั้งหลายซึ่งต่างจากจิตของพระพุทธเจ้าที่ได้ชำระจนสะบริสุทธิ์ไม่มีความหลงเหลืออยู่แล้วเมื่อไม่มีความหลงก็ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธเช่นเดียวกันจิตของพระอาราหันต์ก็เป็นเช่นนั้นท่านจึงได้นำเอาสิ่งที่ <c oughs> ถูกที่ต้องที่ดีที่ควรสำหรับจิตใจมาให้กับราสองมาสั่งสอนพวกเราเพ <c oughs> ื่อให้ได้เพื่อให้จิตใจของเราได้มีความสุขอย่างแท้จริงถ้าเรายังไม่ได้รับคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้หน้าที่ที่แท้จริงของเราว่าอยู่ตรงไหน เราจะไม่รู้ว่าความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่แท้จริงนี้เป็นอย่างไรเราก็จะวนเวียนอยู่กับความทุกข์ไปอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดได้แล้วเสียไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆไปไม่รู้จักจบจากสิน้นแต่ถ้าเราได้นำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ ท่สอนให้เรามาทำลายมาชำระความหลงที่มีอยู่ในจิตในใจของเราให้มันหมดไปถ้ามันหมดไปเมื่อไหร่แล้วจิตเราจะได้รับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีทุกข์เจือปนความสุขที่เป็นความสุขไปตลอดอนันตการไม่มีการเสือ่อม ไม่เหมือนกับความสุขที่พวกเราได้รับกันในในในภพนี้ชาตินี้หรือในภพต่างๆมันเป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรเป็นความสุขที่มาแล้วก็ไปความสุขที่ทำให้เกิดความทุกข์ตามมาเวลาเราได้อะไรมาเรามีความสุขกับสิ่งนั้นพอสิ่งนั้นสูญเสียไป ความทุกข์ก็มาแทนที่มันจะเป็นอย่างนี้อยู่ไปเรื่อยๆถ้าเรายัางหลงตามสิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าเรายัางยินดีสิ่งต่างๆที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูฟังด้วยฟังได้ยินด้วยหูลิมลดด้วยลิ้นดได้ดมกลิ่นด้วยด้วยจมูกและสัมผัสด้วยกายของเรา ถ้าเรายังยินดีกับสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่เราก็จะต้องวนเวียน อ, อยู่กับความสุขความทุกข์ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราตามพระพุทธเจ้าตามพระอาหารหันตสาวกพยายามตัดความยินดีความผูกพันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลธพะต่างๆ อย่าไปยินดีอย่าไปอยากได้มาครอบครองเพียงแต่สัมผัสแล้วปล่อยวางไปรับรู้แล้วปล่อยวางไปอย่าไปมีความผูกพันกับมันเป็นอันขาดถ้าเราสามารถทำใจของเราให้เป็นอย่างนั้นได้ใจของเราจะเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความนิ่ง เข้าสู่ความสบายเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงหน้าที่ของเราที่แท้จริงจึงอยู่ที่ตรงนี้อยู่ตรงที่ดูแลรักษาใจของเราไม่ให้ไปยินดียินร้ายกับอะไรทั้งสิน้นไม่ว่าอะไรจะมาสาัมผัสก็ต้องรับรู้แล้วก็ปล่อยวางวิธีที่เราจะทำได้เราก็ต้องปฏิบัติรม เราต้องเจริญสติกันสติเป็นตัวสำคัญที่สุดในการดูแลรักษาจิตใจให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆเวลาสัมผัสกับอะไรต้องรู้ว่ากำลังสัมผัสกับสิ่งนั้นอยู่รู้อยู่เสมอรู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับมาแล้วก็ไปถ้ารู้อย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาถ้ารู้เห็นอย่าง ถ้ารู้ด้วยปัญญาแล้วก็จะไม่เกิดความยินดียินร้ายจะไม่มีความผูกพันผูกมัดไม่มีความยึดติดรู้ว่ามาแล้วก็ต้องไปไม่มีอะไรอยู่กับใจไปได้ตลอดอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาถ้ามีสติก็เพียงแต่รู้ว่าขณะนี้กําลังสัมผัสกับอะไรกําลังได้ยินเสียง กำลังได้เห็นภาพถ้ามีสติก็จะต้องรู้ทันเวลาเกิดความหลงปรากฏขึ้นมาเช่นเห็นภาพแล้วก็เกิดความชอบหรือเกิดความชังขึ้นมาถ้ามีสติจะต้องรู้ว่าขณะนี้เราชอบหรือเราชังหรือเฉยเฉยถ้าเราชอบเราก็ต้องรู้ด้วยปัญญาว่า เป็นความหลงแล้วกาลังจะพาให้เราไปสู่ความทุกข์ถ้าเราชอบอะไรเราต้องตัดใจอย่าไปชอบมันถ้าเราเกลียดอะไรเราก็ต้องตัดใจอย่าไปเกลียดมันเพราะมันไม่ได้มาทำอะไรให้กับเรามันไม่สามารถมาสร้างความสุขสร้างความประเสริฐให้กับใจได้ และมันไม่สามารถมาทำลายใจได้เช่นเดียวกันใจไม่ต้องไปกลัวเวลาสัมผัสกับสิ่งที่หวาดกลัวที่น่ากลัวและก็ไม่ต้องไปรักไปชอบเวลาสัมผัสในสิ่งที่ชอบที่รักใจไม่ได้อะไรกับสิ่งเหล่านั้นใจเพียงแต่เป็นผู้รับรู้เท่านั้นเอง เพราะว่าสิ่งต่างๆที่ได้มาที่เรามีอยู่ทุกวันนีอ้อีกไม่นานมันก็จากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็จากมันไปมันไม่ได้อยู่กับใจไปตลอดเหมือนกับภาพที่ปรากฏในกระจกมันไม่ได้อยู่ในกระจกนั่นไปตลอดเดี๋ยวมันก็หายไปพอคนนี้เดินเดินผ่านไปอีกคนหนึ่งเดินเข้ามา เมินเนินเข้ามายืนอยู่ที่หน้ากระจกมันก็เป็นภาพของคนอีกคนหนึ่งไปภาพที่ปรากฏในกระจกนั้นไม่ได้เป็นของกระจกยันใดสิ่งต่างๆที่ใจรับรู้ก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นของใจใจเป็นเพียงแต่ผู้รับรู้เท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเช่นวันนี้มีคนเอาเงินมาให้ก้อนหนึ่ง ก็อย่าไปคิดว่าเงินก้อนนั้นเป็นของเราเพียงแต่รับรู้ว่าเราได้รับเงินก้อนนั้นมาไม่ช้าก็เร็วเงินก้อนนั้นก็ต้องจากเราไปไม่ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเอาไปซื้อข้าวซื้อของมันก็จากเราไปเอาไปให้คนอื่นเอาไปทำบุญทำทานมันก็จากเราไปเอาไปซื้อสุรามาเดิมมันก็จากเราไปเหมือนกัน มันไม่ได้อยู่กับใจไปตลอดดังนั้นใจจึงไม่ควรที่จะไปยินดีกับอะไรทั้งสิ้นเพราะเมื่อเกิดความยินดีแล้วก็เกิดความยึดติดขึ้นมาเมื่อเกิดความยึดติดก็จะต้องเกิดความอยากขึ้นมาอยากจะได้อีกเวลาใครให้เงินมาเราก็ดีอกดีใจเราก็มีความยึดติดกับเงินกับทองอยากจะได้เงินอยากจะได้ทองอีก เมื่อเงินที่ได้มาหมดไปก็ต้องไปหาเงินมาใหม่ก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆหาได้ก็ดีใจหาไม่ได้ก็เสียใจไม่มีเงินไม่มีทองก็อยู่ไม่ได้ทุกข์วุ่นวายใจแต่ใจนั้นความจริงไม่มีเงินไม่มีทองมันก็อยู่ได้ไม่มีอะไรมันก็อยู่ได้แม้แต่ไม่มีร่างกายนี้มันก็ยังอยู่ได้ เวลาร่างกายนี้แตกดับไปแล้วใจมันก็ไม่ได้แตกไม่ได้ดับไปกับร่างกายใจมันก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปตามบุญตามกรรมเท่านั้นเองถ้ายังมีความหลงอยู่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าหมดความหลงแล้วใจมันก็ไม่ไปหาใหม่แล้วร่างกายพอ ร, รู้ว่าหามาได้เท่าไหร่มันก็เหมือนเดิมหามาแล้วก็ต้องทุกข์กับมัอีกต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ต้องเลี้ยงดูมันต้องทำมาหากินลำบากละมุลทุกวันนี้ก็เพราะร่างกายนี้เองเมื่อมีร่างกายก็ต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงมีเสื้อผ้าใส่มียารักษาโรคมีเครื่องนุ่มห่ม <c oughs> ก็ต้องไปหาสิ่งเหล่านี้มาเยียว <c oughs> ยามาดูแลรักษา <c oughs> ชีวิตก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องเหล่านี้หาความสุขไม่เจอ เพราะความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจสงบนิ่งเท่านั้นถ้าใจไม่สงบนิ่งแล้วจะหาความสุขไม่เจอใจจะสงบนิ่งได้ก็ต่อเมื่อใจได้รับการกำจัดความหลงต่างๆให้หมดไปเมื่อหมดไปแล้วก็จะไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้กับสิ่งต่างๆที่ใจสัมผัสอะไรมาสัมผัสก็รับรู้ไว้เฉย รู้ว่ามาแล้วเดี๋ยวก็ไปรู้ว่าไม่ใช่เป็นสมบัติของใจไม่มีอะไรที่ใจสามารถครอบครองอยู่กับใจไปได้ใจมีแต่ตัวใจตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นสมบัติของใจและเป็นสมบัติที่ประเสริฐที่สุดถ้ารู้สักดูแลรักษาใจด้วยการชำระความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจ พอเมื่อความหลงถูกกาจัดหมดสิ้นไปจากใจแล้วใจจะสบายใจจะสงบใจจะอิ่มใจจะพอไม่ต้องการอะไรอีกต่อไปมีความสุขเต็มที่อยู่ในใจแล้วมีความอิ่มเต็มที่อยู่ในใจแล้วไม่ว่าจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไร <c oughs> ก็ไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มเหมือนกับความสุขที่ได้จากการ กำจัดจากการชำระความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตาสาวกทั้งหลายได้ค้นพบในจิตใจของท่านและได้ชำระจนจิตใจของท่านสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วจึงนำเอาความรู้นี้มาสั่งสอนพวกเรา คำว่าตัดสู้ก็อยู่ตรงนี้เองตัดสู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจที่ได้รับการชำระความหลงให้หมดสิ้นไปแล้วแล้วที่พระพุทธเจ้านามาสั่งสอนพวกเรา<ม>ก็คือวิธีที่จะพาให้เราไปสู่ถึงจุดนั้นนั่นเองเพราะคนส่วนใหญ่นั้นยังไม่สามารถที่จะชำระจิตด้วยสติด้วยปัญญาได้ เพราะยังไม่มีความสามารถยังไม่ได้สะสมสติปัญญาบา ร, รมีมาพอที่จะสามารถนำไปชำระความหลงได้ทันทีทันใดจึงต้องก้าวไปจากขั้นต่ำไปสู่ขั้นสูงสติปัญญาบา ร, รมีนี้เป็นธรรมขั้นสูงสำหรับคนบางคนถ้าฟังแล้วเข้าใจ ก็สามารถกำจัดความหลงได้ทันทีคนนั้นแสดงว่าเขาได้บำบเพ็ญสติปัญญามาเป็นเวลาอัญญานยาวล้วเขาเข้าใจถึงความหมายของคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าให้มีสติรู้อยู่ที่ใจให้มีปัญญากำจัดความหลงเพียงพูดเพียงเท่านี้เขาก็สามารถทำความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจได้ แต่ถ้าฟังแล้วถ้าเราฟังแล้วเรายังไม่เข้าใจยังกำจัดความหลงไม่ได้ยังกำจัดความยินดียินร้ายไม่ได้ยังกำจัดความรักความความเกลียดความชังไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังขาดสติขาดปัญญาเราก็ต้องบังเพธนทมที่ต่าลงมาคือสมาธิก่อนต้องทําจิตใจให้สงบรวมลงเป็นหนึ่งก่อน ขณะที่จิตสงบลงรวมลงเป็นหนึ่งนั้นเป็นขณะที่ความหลงได้ถูกได้ถูกตัดได้ถูกระงับชั่วขณะหนึ่งเหมือนกับได้ถูกฉีดยาสลบเวลาที่ความหลงถูกระงับดับไปนั้นจิตก็จะมีความสงบมีความสุขเหมือนกับเหมือนกับจิตที่ได้หลุดพ้นเพียงแต่ว่ามันเป็นการหลุดพ้นเพียงชั่วคราว เพราะความหลงนั้นยังไม่ได้ถูกทำลายเพราะกำลังของสมาธิอย่างเดียวไม่สามารถทาลายความหลงได้ต้องใช้ปัญญาเท่านั้นแต่อย่างน้อยก็จะทำให้จิตได้สัมผัสกับความสุขความอิ่มความพอที่จะเกิดขึ้นเวลาที่ความหลงถูกทาลายไปถ้าได้สัมผัสกับ <c oughs> ความสงบแบบนี้แล้ว <c oughs> ก็จะรู้ว่าเป้าหมายของการบำเพ็ญ น, นี้อยู่ที่ตรงไหน ก็อยู่ที่ตรงนี้เองและเวลาพอออกจากสมาธิแล้วถ้าเกิดมีความหลงแสดงอาการรักหรือชังขึ้นมามันก็จะสร้างความทุกข์ให้เห็นทันทีจิตก็จะรู้ทันทีเลยว่านี่คือตัวที่จะต้องคอยกำจัดคือความรักและความชังความยินดียินร้ายทั้งหลายความอยากทั้งหลายความโกรธความเกลียดทั้งหลาย จะต้องไม่ปรากฏขึ้นมาในใจเพราะเวลามันปรากฏขึ้นมามันเหมือนกับเข็มที่ทิ่มแทงจิตใจนั่นเองจิตคนของคนที่ยังไม่มีสมาธิจะไม่เข้าใจจะไม่รู้อีกเช่นเดียวกันถ้าฟังอย่างนี้ยังไม่เข้าใจก็ยังแสดงว่ายังไม่มีสมาธิก็ต้องพยายามทําสมาธิให้เกิดให้ได้ถ้านั่งสมาธิจิตยังไม่สงบยังนั่งสมาธิไม่ได้ ก็แสดงว่าจิตยังไม่มีศีลเป็นเครื่องสนับสนุนก็ต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปก่อนเพื่อจิตใจของเราจะได้ไม่วุ่นวายกับเรื่องต่างๆถ้ายัางรักษาศีลไม่ได้ก็แสดงว่าจิตยังมีความโลภยังมีความยึดติดในเงินทองในข้าวของในบุคคลต่างๆอยู่ก็ต้องมาทาบุญทำทานก่อนต้องมาปล่อยวาง อย่าไปเสียดายเงินเสียดายทองเก็บเงินไว้เท่าที่จำเป็นไว้ดูแลรักษาชีวิตของเราและเผื่อวันข้างหน้าที่เราเดือดร้อนถ้ามีมากกว่านั้นก็อย่าไปเก็บเอาไว้เอาไปทำบุญทาทานเอาไปแจกจ่ายผู้อื่น mm hmm. เพื่อจะได้ตัดความยึดติดในเงินทองตัดความเพึ่งพาอาศัยในเงินทอง พราะถ้ามีเงินมากแล้วมักจะเอาไปซื้อความสุขกันเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาไปเที่ยวเอาไปดูหนังฟังเพลงกันก็จะไม่รู้ก็จะไม่สนใจกับความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ในใจก็จะไม่สนใจที่จะรักษาศีลพอเงินหมดก็จะต้องหาเงินมาใหม่หามาด้วยวิธีใดก็ต้องหามาให้ได้จะไปช่อโกงจะไปรักเล็กขโมยน้อยจะไปโกหกหลอกลวง ก็จะทำเพื่อให้ได้เงินได้ทองมาแต่ถ้าเรามีเงินทองเหลือใช้แล้วเอามาทำบุญทำทานเอามาแจากเอามาจ่ายความโลภความอยากได้ก็จะน้อยลงไปเพราะเราไม่ได้เอาเงินทองไปซื้อความสุขนั่นเองไม่ได้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยมันก็จะไม่ติดกับการใช้เงินแบบนั้นก็จะเอาเงินมาช่วยเหลือคนอื่นทำบุญทำทานก็จะช่วยทาให้ใจมีความสงบ มีความสบายมีความสุขก็จะทำให้ไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นเวลาหาเงินหาทองก็จะตั้งอยู่ในศีลในธรรมก็จะทำให้เกิดมีศีลมีธรรมขึ้นมาเมื่อมีศีลมีธรรมแล้วพอมานั่งทามสมาธิจิตก็จะสงบลงได้เมื่อจิตสงบลงจิตก็จะเห็นความสุขที่เกิดจากการระงับดับของความหลง ชั่วขณะหนึ่งแล้วเมื่อมาเจริญทางปัญญาคอยกำจัดความรักความชังความโลภความอยากต่างๆโดยพิจารณาให้เห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จีรังถาวรไม่มีอะไรที่จะเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงไม่มีอะไรจะอยู่กับใจไปได้ตลอดเวลามีแล้วก็กลายเป็นภาระ ความทุกข์ความห่วงใหญ่ความกังวลเวลาจากกันก็ต้องเศร้าโศกเสียใจถ้าเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าเป็นไตรลักษ์แล้วใจก็จะปล่อยวางจะไม่ยินดียินร้ายกับอะไรเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นสักแต่ว่ารู้เท่านั้นไม่มีความคิดที่อยากจะได้มาเป็นสมบัติมาครอบครองไว้นอกจากเอามาเพื่อเอามาใช้ ในความจําเป็นเท่านั้นเช่นเอาอาหารมาเพียงพอเพื่อเพื่อดูแลรักษาร่างกายเอาเสื้อผ้ามาใส่สองสามชุดเอาบ้านที่อาศัยหลบแดดหลบฝนแล้วก็เอายามารักษาร่างกายไปตามอัตภาพดูแลรักษามันให้อยู่ได้ตามอัตภาพของมันไปจนถึงวันสุดท้าย เมื่อถึงเวลาที่ร่างกายมันจะแตกดับก็ปล่อยมันไปใจไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เสียอกเสียใจไม่ได้หวาดกลัวกับความแตกดับของร่างกายเพราะใจมีปัญญาไม่ยึดไม่ติดปล่อยวางนั่นเองนี่แหละคือฐานะจิตของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นแบบนี้ท่านได้เจริญปัญญาจน ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วแม้แต่ร่างกายของท่านท่านก็ปล่อยวางไม่ใต้ไม่ยึดไม่ติดเวลาอยู่ก็ไม่กลัวตายเวลาตายก็ไม่กลัวตายเป็นตายเท่ากันสําหรับจิตของพระอรหันต์จิตของพระพุทธเจ้าเพราะรู้ว่าไม่ได้ไม่เสียอะไรกับร่างกายของตนนั่นเองหรือว่าร่างกายนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุด นิแคือความสุขที่ประเสริฐที่สุดถ้าเราสามารถกำจัดความหลงได้จิตของเราจะเป็นอย่างนี้จะอยู่อย่างเป็นสุขและจะตายอย่างเป็นสุขและจะไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกต่อไปเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราปฏิบัติกันจึงขอให้พวกเราหมั่นปฏิบัติตามเราอยู่ขั้นไหนเราทำได้ขั้นไหนเราก็ทำไป แล้วพยายามขยับขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เริ่มต้นตั้งแต่การทำบุญให้ทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิเจริญปัญญาจนไปถึงวิมุติหลุดพ้นก็จะเป็นเป้าหมายที่เราจะดำเนินไปถึงถ้าเราปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องไม่ย่อท้อไม่หยุดยัง้งสักวันหนึ่งจิตของเราก็จะเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ เหมือนกับของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์พระอราหารันตสาวกทั้งหลายจึงขอให้ท่านจงนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตลอดเวลาจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วรับรองได้ว่าท่านจะได้รับประโยชน์สุขตามลำดับแห่งการปฏิบัติของท่านอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุศลผลบุญที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ